ชุดตามพระใหม่ไปเรียน ร, รมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบสี่คุยกันต่อวันนี้ก็เอาเรื่องง่ายๆอีกนะคิดว่าเรื่องที่พูดครั้งนี้จะง่ายกว่าเมื่อเช้าอีกเมื่อเช้าเรื่องอิธิบาตสี่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็ยังพูดน้อยกว่าเรื่อง ที่จะพูดตอนคำนี้แต่นี้ที่เอามาพูดก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องฉันทะด้วยก็คือเรื่องพรห ม, มวิหารสี่นะคิดว่าทุกท่านก็รู้จักมาแต่เดิมแล้วก็บางทีก็ได้ฟังได้ฟังที่พูดกันที่เนี่ยบ่อยแทบจะว่าไม่จําเป็นต้องพูดอีกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรจะนํามาเหมือนกับทบทวนกัน ใ น, นเรื่องพรหมวิหารสี่ว่าสืบเนื่องมาจากฉันทะก็คือว่าฉันทะนี่บอกแล้วว่าเป็นความปรารถนาดีอยากอยากให้มันดีหรือฝ่ายดีมีความอยากให้มันดีต่อสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอเราไปเจออะไรไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้มันดีไปหมดทีนี้สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีทั้ง วัตถุสิ่งของกิจการงานแล้วก็มาคนนี่ในกรณีที่ความายดีหรืออยากให้มันดีเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับคนเขามันก็กลายเป็นว่าความหวังดีปรารถนาดีคืออยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีเช่นให้ร่างกายเขาสุขสมบูรณ์ให้เขามีความสุข mm hmm. ให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีงาม นี่ความอยากให้มันดีที่มีต่อคนสัตว์ก็เลยมีชื่อพิเศษเราเรียกว่าเมตตานี่ยอันะัะนะก็เมตตานี้ก็เป็นเรื่องของฉันทะนี่แหละที่มาแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์หรือตลอดจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีความ ต่อเนื่องกับเรื่องฉันทะที่พูดไปแล้วอันนี้ความอยากให้มันดีอยากให้คนเขาอยู่ในภาวะที่ดีงามนี้เริ่มต้นก็คือตัวเมตตาในอยากให้เขาเป็นสุขซึ่งรวมไปถึงการที่ว่าอยากให้เขามีสุขภาพดีแข็งแรงในทางกายแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขรวมไปทั้งจิตใจด้วย ทีนี่ในกรณีที่คนนั้นเขาไม่อยู่ในภาวะที่เป็นปกติยังไม่เป็นสุขตามที่ควรจะเป็นคุณธรรมข้อนี้ก็จะมีตัวโยงไปอีกก็คือว่าพอเขาไม่เป็นปกติเขาเดือดร้อนตกต่ำมีความทุกข์เราก็อยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ภาวะที่เป็นสุข นี่จิตใจที่ปรารถนาดีต่อคนที่มีความทุกข์อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นก็มีสับเพิ่มขึ้นมาอีกก็เรียกว่าการุณาแต่กรุณานี่มันเป็นตัวที่ว่ามาเสริมและนะคือว่าพอเห็นเขาทุกข์แล้วก็มีความหวั่นใจพลอยหวั่นใจไปกับทุกข์ของเขา ซึ่งเราเรียกว่าความสงสารที่จริงคำว่าสงสารเองก็เป็นคำที่เพี้ยนเพราะว่าสงสารในภาษาบาลีนั้นถ้าจะเอากันจริงๆก็มาจากคำว่าสังสาระสังสาระแปลว่าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็ที่เราเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดไปไปมามาคำว่าสงสารมาอย่างไรกลายเป็นว่า มีมีความหมายว่าหวั่นใจในทุกของผู้อื่นอยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่ามันเพียนไปได้ยังไงแต่ก็เอาว่าความหมายตามภาษาบาลีก็คือคาว่ากรุณาแปลว่าปล่อยหวั่นใจในทุกของผู้อื่นอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเมื่ออยากให้พ้นทุกข์ก็คืออยากให้เขากลับคืนมาสู่สภาพปกติที่มีความสุข นี่ต่อไปเราอยากให้เขาเป็นสุขอยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีทีนี้ถ้าเขาเกิดได้มีความสุขจริงๆประสบความสาเร็จหรือว่ามีความสุขยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ล่ะจิตของเราก็พลอยินดีสมปรารถนาไปด้วยก็ เ, เกิดภาวะจิตขึ้นมาอีกอันหนึ่งภาวะจิตนี้เรียกว่ามุทิตาแปลว่าพรอยินดี ในการที่เขาได้นีบีสุขประสบความสำเร็จก็เกิดมีเป็นสามข้อขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามความปรารถนาดีหวังดีของคนเหล่านี้ก็ย่อมไม่สามารถจะให้พ้นไปจากขอบเขตของความเป็นจริงหรือกฎธรรมชาติได้คือความเป็นไปนตามเหตุปัจจัย เราจะปรารถนาดียังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในขอบเขตของกฎธรรมชาติที่เป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเราก็จะต้องยอมรับตระหนักต่อความจริงอันนี้ด้วยนี้ถ้าหากว่ามันจะเกินเลยจากความเป็นจริงจากความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยก็จะต้องมีท่าถีตัวหนึ่งมาสร้างดุลยภาพไว้หรือมาคุมไว้น พราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำถ้ามีหลักข้อที่สที่เราเรียกว่าเบกขาเนะี่ยมาคุมให้ความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเริ่มต้นจากเมตตาที่มีฉันทะอยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีมีความสุขนั้นตลอดจนกระทั่งเรื่องกรุณามุทิตาเนะี่ยมันไม่เกินขอบเขตแห่งความสมเหตุสมผลแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติ ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีภาวะจิตนี้ก็จะเป็นผลเสียกับตัวเราเองด้วยเมื่อมันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราอยากจะให้เขาดีมีความสุขนะแต่ว่าเขาก็ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาตนะิถ้าเขาปฏิบัติผิดจะกฎธรรมชาติมันก็มีอันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้น ความปรารถนาดีของเราก็ถูกขัดขวางเราก็จะเกิดความทุกข์จิตใจเราก็เสียนี่เป็นผลเสียแต่เราเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผลเสียต่อสังคมต่อผู้อื่นก็คือเราไปทำเกินที่มันควรจะเป็นทำในความหมายว่า ความดีงามความเป็นไปตามเหตุตามผลที่มันจะส่งผลให้เกิดความดีงามในหมู่มนุษย์ในความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างการรักษาความเป็นธรรมความยุติธรรมความถูกต้องความดีงามต่างๆเราคิดจะช่วยเขาอย่างเดียวก็อาจจะเกิดผลร้ายไปละเมิดต่อธรรมนี้ไปละเมิดต่อความเป็นธรรมความชอบธรรมแล้วเราก็กลายเป็นว่าไปทาลาย หลักความถูกต้องดีงามเข้าก็เกิดผลเสียอีกเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อที่4ี่มาคุมไว้คือข้อที่เรียกว่าอุเบกขาคือการที่วางใจเป็นกลางแล้วก็ดูตามที่มันควรจะเป็นของมันตามเหตุปัจจัยนั้นหรือตามความถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์กติกาที่มาวางกันขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าความดีมันเป็นอย่างี้สิ่งทั้งหลายควรจะเป็นอย่างงี้เรามาวางเป็นกฎเกณฑ์กติกาในสังคมแล้วเราก็มีอุเบกขาเพื่อจะรักษาความเป็นธรรมอันนี้ไว้รักษากฎเกณฑ์กติกาอันนี้ขอ 1, 2, 3, ้อหนึ่งสอสาเมตตากรุณามุติตาก็เท่ากับถูกคุมไว้ให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะ ไม่ละเมิดธรรมข้อที่สี่ก็มาคือข้ออุเบกขาเนี่ยทั้งหมดสี่ข้อเนี่ยก็เป็นหลักที่เราเรียกว่าพรหมวิหารสี่เพราะเหตุที่พรหมวิหารสี่มาเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ก็เลยเป็นหลักธรรมสำหรับใช้ในการมีความสัมพันธ์กัน ในสังคมในหมู่มนุษย์เพื่อจะรักษาสังคมนี้ให้อยู่ในความดีงามเพราะว่าการที่เป็นสังคมก็คือการที่มนุษย์นั้นมามีความสัมพันธ์กันมนุษย์จะสัมพันธ์กันได้ดีก็ต้องเป็นไปตามหลักที่ว่า4ประการนี้ถ้ามนุษย์สัมพันธ์กันไม่ดีนั้นก็จะทําให้เกิดโทษสังคมก็จะไม่มีความมั่นคงจะตั้งอยู่ดีไม่ได้ เรียกว่าไม่มีความเป็นเอกภาพหรือว่าเกิดความเสื่อมเสียด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีธรรมสประการนี้มาสําหรับรักษาสังคมให้อยู่ในภาวะที่ดีงามอันนี้สังคมนี้ในศัพท์ทางพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าโลกคำว่าสังคมนี้เป็นศัพท์สมัยใหม่ หมู่มนุษย์มาอยู่รวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าโลกคำว่าสังคมหรือสังคโมในภาษาบาลีเดิมนั้นมีความหมายเป็นเพียงว่าคนนั้นมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในภาวะปกติธรรมดาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันมาไปไปด้วยกันหรืออะไรงนี้หรือมาพบปะกันไปพบกันในที่ใดที่หนึ่งก็เรียกว่าสังคโมไม่ได้มีความหมายเป็นสังคมใน อย่างที่เราใช้กันปัจจุบันแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าสมัยก่อนท่านไม่มีท่านใช้คําว่าโลกนั่นเองโลกะหรือโลกอย่างพระพุทธศาสนาสอนว่าให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์โลกเนี่ยก็หมายความมาเพื่อจะอุดหนุนเกื้อกูลต่อโลกให้โลกคือสังคมนี้อยู่ได้ดีอันนี้โลกนี้ คือสังคมเนี่ยจะอยู่ได้ดีก็ด้ดยการที่มนุษย์แต่ละคนนี้ปฏิบัติตามหลักสีประการนี้ที่เรียกว่าพรหมวิหารเมื่อเราปฏิบัติตามหลักสี่ประการนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าเราเนี่ยได้ช่วยกันรักษาให้โลกคือสังคมนี้อยู่ในภาวะดีงามเป็นปกติอันนี้ในสมัยก่อนศาสนาพราหมณ์เขาสอนว่าผู้ที่จะดูแล รักษาอภิบาลให้โลกอยู่ด้ดีนี่ก็คือพระพรหมนอกจากอภิบาลรักษาดูแลแล้วก็เป็นผู้สร้างด้วยนี่เป็นความเชื่อถือในเรื่องเทพเจ้านี่พระพุทธเจ้ามาตรัสหลักธรรมะนี้ขึ้นมาก็ถือว่าคนแต่ละคนนี่แหละจะช่วยกันรักษาดูแลให้โลกนี้เป็นปกติสุขได้ ก็เท่ากับว่ามาช่วยกันสร้างสรรโลกให้เป็นโลกที่อยู่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็ถือว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยผู้ปฏิบัติตามหลักนี้ก็เป็นพรหมก็เลยใช้คำว่าพรหมมาหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่ประพฤติตามหลักธรรมเหล่านี้หรือมีคุณธรรมสี่ประการนี้แล้วเราก็เรียกหลักธรรมสี่ประการนี้ว่าพรห ม, มวิหารแปลว่าธรรมประจาใจหรือธรรมเครื่องอยู่ของพรหม ก็ย้ายจากความเชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือการรอให้เทพเจ้ามาใช้อํานาจดนบันดาลดูแลรักษาโลกหรือสังคมนี้ไว้ให้มนุษย์นี่มามีความรับผิด ช, ชอบมาช่วยกันสร้างสรรค์ดูแลโลกนี้ด้วยฝีมือของมนุษย์กันเองอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่รอให้เทพเจ้าเนี่ย มาสร้างสรรค์ดูแลโลกให้มนุษย์นี่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบก็เหมือนอย่างหลักที่เคยพูดไปแล้วว่าพุทธศาสนานี่ก็ให้มนุษย์เนี่ยมาหนึ่งเอาใจใส่ต่อการกระทำของตนเองให้เป็นการกระทำที่ดีงามถูกต้องแล้วก็ทำได้ความเพียรพยายามให้สาเร็จผลที่ต้องการ แล้วอีกแง่หนึ่งก็คือว่าให้มาเอาใจใส่กันในหมู่มนุษย์เองมาช่วยเหลือการร่วมมือกันเพื่อจะสร้างสารรค์สังคมให้อยู่ด้วยดีก็เป็นการย้ายจุดสัมพันธ์จากเทพเจ้าที่มองไม่เห็นที่เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนมนุษย์ที่จะร่วมมือกันนมาทำการสร้างสารรค์ด้วยกันนี่เราก็เอามาพูดให้เข้าใจง่ายๆ พระธรรมสีประการนี้ใช้กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ4ี่สถานการณ์ด้วยกันก็สรุปได้ว่าหนึ่งสถานการณ์ที่เพื่อนมนุษย์อยู่เป็นปกติเราก็มีเมตตามีความเป็นมิตรมีความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขอย่างที่ว่าไปแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเมตตาก็เป็นศัพท์ที่มีรากเดียวกันกับคาว่ามิจฉามิจฉาแปลว่ามิตร อเพื่อนอันนี้ก็แปลงอีกเป็นเอก็เป็นเมตตาและทำตามหลักวยญกรณเป็นภาวะนามก็เป็นเมตตามิตรเป็นคนเมตตาก็เป็นคุณธรรมเป็นสภาวะก็มิตรเป็นมิตรเมตตาก็เป็นความเป็นมิตรหรือน้ำใจมิตรหรือคุณธรรมของมิตรได้แก่ความรักความปรารถนาดีอันนี่ก็คือว่า ใช้กับสถานการณ์ที่หนึ่งที่ว่าเพื่อนมนุษย์เขาอยู่เป็นปกตินี่ต่อไปสถานการณ์ที่สองเพื่อนมนุษย์นั้นตกต่ำลงไปตกจากสถา น, นะเดิมที่เป็นปกติต่ำลงไปสู่ภาวะที่เดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็ใช้คุณธรรมข้อที่สองก็คือกรุณาที่แปลว่าความหวั่นใจในทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็ คิดหาทางที่จะช่วยเหลืออยากจะทำให้เขาพ้นไปจากความทุกนั้นนี้สามสถานการณ์ที่ขึ้นสูงก็คือว่าจากปกติก็กลายเป็นว่าดีงามยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งขึ้นไปหรือประสบความสาเร็จอันนี้เราก็ย้ายไปสู่คุณธรรมข้อที่สมก็คือมุติตาก็พรอยินดีด้วยในความสุขของเขา เราเรียกว่าโมทนาแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนนี่ได้สแล้วทีนี้ต่อไปก็สถานการณ์ที่สี่สถานการณ์ที่4ี่ก็บอกแล้วว่ามนุษย์เ่านี้ถึงยังไงก็จะต้องอยู่ภายใต้ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัยความปรารถนาดีต่อกันยังไงก็ตามการช่วยเหลือกันก็ต้องไม่พ้นไปจากอันนี้ หนในแง่ความเป็นไปได้มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้น2ในแง่ความควรจะเป็นก็มีธรรมะในอีกความหมายหนึ่งว่าหลักความดีงามความถูกต้องที่สังคมที่จะต้องอาศัยถ้าสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามถูกต้องสังคมนั้นก็จะวิปราดไปเองนั้นในแง่ความเป็นไปได้ก็อยู่ในขอบเขตของธรรมะ แต่แง่ความควรจะเป็นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของธรรมะเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันด้วยเมตตากรุณามุติตาก็จะต้องไม่ให้เกินขอบเขตของธรรมะนี้ไม่ให้เสียธรรมะไม่ให้ละเมิดธรรมะภาวะจิตที่วางใจเพื่อจะอยู่ในธรรมะนี้คือภาวะที่รักษาธรรมะไว้ด้วยใจที่เป็นกลางต่อบุคคล เมื่อเรามองที่ธรรมะความจริงความดีงามถูกต้องแล้วใจจะเป็ น, นกลางต่อบุคคลใจเป็นกลางต่อบุคคลนี้แสดงออกในการที่ออกมาเป็นการปฏิบัติก็เท่ากับไม่ขนขวายคือว่าอ้อเรื่องนี้มันจะเป็นต้องเป็นไปตามธรรมนะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติต้องไปเป็นตามกฎเกณฑ์แห่งความดีงามถูกต้องชอบธรรมพอเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว เราก็ไม่ขนขวายเนะเพราะว่าจะต้องให้เป็นไปนตามธรรมะไม่ขนขวายที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะเป็นการก้าวไกลแทรกแซงต่อธรรมะภาวะนี้เราก็เลยเรียกว่าเฉยนะกลายเป็นว่าแปลอุเบกขาวว่าเฉยแต่การแปลอุเบกขาวว่าเฉยนี่ต้องระวังอย่างที่ว่าคือต้องรู้ว่าที่เฉยเพราะอะไรเฉยก็คือว่าไม่ขนขวายในการไปช่วยเหลือเขาเพราะจะรักษาธรรมะไวนะ ด้วยการที่มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงความถูกต้องดีงามแล้วนั้นก็มนุษย์นี่ถ้าเห็นว่าคนอื่นเขาควรจะต้องช่วยตัวเองมันจึงจะสมเหตุสมผลในกรณีอย่างนี้นเราไม่เข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาธรรมะปฏิบัติถูกต้องตามธรรมถ้าเราไม่ทําตามที่ควรจะเป็นตามเหตุตามผล ก็ทำให้ช่วยเหลือก่อนเกินขอบเขตก็เสียอีกแม้แต่ว่าอย่าว่าแต่คนอื่นแม้แต่ลูกช่วยเหลือเกินความสมเหตุสมผลก็เสียใช่ไหมแล้วก็หนึ่งก็ความสมเหตุสมผลสองก็คือว่าช่วยเหลือไปแล้วเสียความเป็นธรรมเสียความถูกต้องเพราะว่าที่เขาทํานั้นมันไปละเมิด กดเกณฑ์กติกาสังคมหรือละเมิดหลักแห่งความดีงามเข้าแล้วเราไปช่วยเหลือไปส่งเสริมเขาก็ผิดอีกข้อที่4ก็เลยเป็นตัวสำคัญที่มาคุมให้เมตตากรุณามุติตานี้อยู่ในขอบเขต ท, ที่ถูกต้องตกลงว่าข้อที่4นี่ก็คือรักษาธรรมะเราเรียกว่าอุเบกขาอันนี้สข้อนี้ก็เป็นระบบที่เราเรียกว่าดุนยภาพทาให้เกิดความพอดี ถ้าหากว่าไม่มีครบสี่ข้อก็ไม่พอดีนี่มันเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสถานการณ์เนี่ย่ถูกต้องตามสถานการณ์ก็เกิดความพอดีขึ้นมาหรือจะมองอย่างเป็นชุดก็ได้สี่ข้อนี้ก็สามข้อต้นเมตตากรุณามุติตาก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลแล้วก็ข้อ4อุเบกขาก็เป็นความสัมพันธ์กับธรรมะ คือความสัมพันธ์กับคนนั่นแหละในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับธรรมะเขา้าก็ต้องไปเอาธรรมะเป็นหลักให้คนนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในธรรมอันนี้ในแง่นี้ก็การรักษาธรรมะตัวหลักการนี้ก็จะมาสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในการช่วยเหลือระหว่างมนุษย์ว่าไม่ให้มันเกิดพอดีนี อนนี้ถ้ามองดูอย่างนี้ก็สามารถมองกว้างออกไปอีกบอกว่าเออคนเราในชีวิตแต่ละคนเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมชีวิตของเรานี่ดําเนินไปเราเป็นอยู่ทุกวันทุกวันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสองด้านก็คือหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์หรือทางพระท่านเรียกว่าคือกษัตริย์ทั้งหลายมีความสัมพันธ์กัน เนี่ยเพื่อจะให้อยู่ได้ดีก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แลัตว์ทั้งหลายนี่ให้ดีให้ถูกต้องแต่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตมนุษย์นั้นก็จะต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับกฎธรรมชาติความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยและนี้เป็นกฎที่ใหญ่กว่าอีกในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นยังเป็นรองความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในใหญ่ที่สุดครอบคลุมหมดแม้แต่สังคมมนุษย์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาหรือกฎธรรมชาติอันนี้สังคมมนุษย์ก็ทําอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยข้างมันทั้งสิ้นแหละถ้าสังคมมนุษย์นี้ดําเนินในทางผิดเหตุปัจจัยก็นําสังคมไปสู่ความเสื่อมถ้า่าทําเหตุปัจจัยดีสังคมก็เจริญนั้นชีวิตแต่ละคนนี่ก็จะมีความสัมพันธ์กับสองด้านหนึ่งสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ สสัมพันธ์กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตนี่ในเมื่อเราสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในแง่ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นี่ก็ต้องสัมพันธ์ให้ดีก็หลักการสําคัญก็คือเริ่มด้วยเมตตาอย่างที่ว่าแล้วก็มีกรุณามุ้ทิตานะีก็มีการช่วยเหลือกันอย่างดีถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้แต่อีกด้านหนึ่งก็มนุษย์ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะีแต่ละคนในชีวิตของตัวเองก็ต้องเป็นไปนตามกฎธรรมชาตินั้น รับผิดชอบต่อเหตุปัจจัยแม้แต่ร่างกายของเขาจะมีสุขภาพดีแข็งแรงจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งความปรารถนาดีของมนุษย์อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์จะมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ตามกฎธรรมชาตินั้นชีวิตที่มีความสัมพันธ์สองด้านนี่แหละต้องปฏิบัติให้ถูกปฏิบตัติต่อเพื่อนมนุษย์ในความสัมพันธ์ต่อ ก, กันก็ เป็นไปเด้วยเมตตากรุณามุทิตานี่ความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตอันเนี้ยที่ว่าอุเบกขาจะต้องมาอันนี้อันนี้เราก็มาใช้ในการพัฒนาคนด้วยอันนี้เราเริ่มตั้งแต่ว่าพรมมิหารใช้เป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบสร้างสรรและรักษาสังคมนไว้เนี่ยก็พูดเป็นกลางๆว่ามี ต่อกันในระหว่างทุกค น, เ, นเราก็มีต่ทุกคนแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นการพัฒนามนุษย์ก็คือเริ่มตั้งแต่พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูลูกเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูลูกก็ต้องใช้หลักพรมวิหารนี้มาเพราะว่ามองในแง่หนึ่งก็ลูกนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในโลกอยู่ในสังคมเหมือนกันเราก็ต้องมีธรรมะสี่ประการนี้ แต่ประการหนึ่งที่เป็นกรณีพิเศษก็คือว่าพ่อแม่นะมีความรับผิดชอบที่จะพัฒนาลูกเลี้ยงดูอบรมลูกเนี่ยให้ไปเป็นส่วน ร, ร่วมในสังคมอีกให้เด็กนี้ไปเป็นพรมหรือเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์รักษาสังคมนี้ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องมาพัฒนาลูกด้วยหลักบลมวิหารการที่จะพัฒนาลูกในหลักบลมวิหาร ให้ลูกไปเป็นพรมต่อไปข้างหน้าด้วยและก็เจริญเติบโตขึ้นด้วยการที่ปฏิบัติต่อลูกได้พรมหมญาหสี่ข้ออย่างถูกต้องด้วยเนี่ยก็เลยต้องคำนึงถึงสองด้านที่ว่าเนี่ยว่าลูกในฐานะเป็นมนุษย์ก็มีความชีวิตของเขามีความสัมพันธ์สองด้านหนึ่งความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือพ่อแม่เป็นต้นไปแล้วก็สองลูกจะต้องสัมพันธ์กับความเป็นจริง ของโลกและชีวิตคือกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้อันนี้ในแง่ที่หนึ่งในแง่หรือในด้านที่หนึ่งที่สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ก็เมื่ออยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยพรหมวิหารสามข้อต้นเมตตากรุณามุติตายามลูกเป็นปกติก็เลี้ยงดูให้ความอบอุ่นมีความสุขนะซึ่งเมื่อ ลูกได้รับการอบรมดูแลอย่างนี้แล้วมันก็ฝังไ้ในใจิตใจที่จะรู้จักรักผู้อื่นเช่นว่าเมื่อพ่อแม่รักก็รักพ่อแม่ตอบแทนนี่ก็ต่อไปก็จะขยายไปรักเพื่อนมนุษย์เริ่มตั้งแต่มีพี่มีน้องเกิดมาร่วมกันก็ขยายความรักไปอย่างพี่น้องแล้วก็ขยายไปเรื่องเพื่อนมนุษย์ถ้าพัฒนาอย่างถูกต้องความรักนี่ก็ขยายออกไป รวมทั้งกรุณาก็ขยายออกไปมุทิตาก็ขยายออกไปนี่นี่ด้านนี้พ่อแม่ก็ให้ต่อลูกด้วยเป็นแบบอย่างแก่ลูกแล้วก็พัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในลูกให้เขาพร้อมที่จะไปมีต่อเพื่อนมนุษย์แต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเขาก็คือด้านที่ว่าชีวิตของเขานี่ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติความเป็นจริง น, นี่อันนี้แหละที่พ่อแม่จะต้องใช้ปัญญา คือจะต้องดูว่าโอ้เขาจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตของเขาเองได้รับผิดชอบชีวิตของเขาต่อความเป็นจริงของกฎธรรมชาติในการข้างหน้ารับผิดชอบต่อการอยู่ในสังคมมนุษย์เลยเนี่อันนี้ในการรับผิดชอบต่อความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเองซึ่งคนอื่นจะไปช่วยไม่ได้ เพราะนั้นทําไงเราก็ต้องฝึกให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของเขาได้ด้วยเพราะว่าคนอื่นจะไปทําให้ตลอดเวลาไม่ได้อย่างพ่อแม่นี้แน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าจะอยู่กับลูกไม่ได้ตลอดไปหรอกนะแม้แต่ว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าไปทําแทนให้ได้หมดถ้าลูกไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตตนเองเลยเนี่ลูกนั้นก็จะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้จริงนะเราจะไม่พัฒนา เพราะฉะนั้นในด้านนี้ด้านที่สองก็คือการที่ว่าต้องรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเขานี่ต้องอยู่กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเป็นต้นที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัยในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องให้เขาพร้อมที่จะไปรับผิดชอบชีวิตของตนเองตอนนี้ที่พ่อแม่จะต้องมองการไกลนะถ้าเมตตากรุณามุทิตานี่มันก็ได้ได้ความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันนี้ นะว่าเขาอยู่เป็นปกติแล้วก็รักเขาเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราก็ต้องช่วยเหลือแก้ไขได้วยกรุณาถ้าเขาได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จสอบได้ดีๆเป็นต้นก็พอยีดีใจด้วยส่งเสริมสนับสนุนอันนี้มันก็ได้ในขอบเขตที่ว่าเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วก็ปลูกฝังเป็นนิสัยเป็นคุณธรรมเป็นสภาพจิตให้แก่เขาระยะยาวแต่ที่นี้ว่าในการรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาระยะยาวเนี่ยอันนี้จะต้องฝึกต้องพัฒนาในตัวเขาเองเขาจะฝึกฝนเขาจะพัฒนาตัวเองด้วยการที่ต้องทําเป็นต้นคือว่าคนเรานี่จะมีความสามารถขึ้นมาก็ต้องฝึกฝนพัฒนา จะทำอะไรเป็นก็ต้องหัดทําต้องฝึกทํานี้ถ้าเขาไม่เคยฝึกไม่เคยหัดต่อไปเขาก็ทําไม่เป็นนี่เป็นเรื่องระยะยาวเมื่อจะไปรับผิดชอบทําไงก็ต้องฝึกเพื่อให้เป็นก็ต้องทําต้องหัดฝึกต้องหัดทําให้เป็นนั้นพ่อแม่ก็เลยต้องคอยดูว่าต่อไปลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองในอนาคตเขาจะรับผิดชอบตัวเองได้ไหมเขามีความเข้มแข็งมีความพร้อมแค่ไหนมีอะไรที่เขาจะต้องทําให้เป็นเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องหัดให้เขาทํา เมื่อเขาอยู่กับเรานี่เรายังเห็นว่าเขาทำถูกทำผิดแล้วก็ทำได้ทำไม่ได้เราสามารถช่วยเขาเวลาเขาทำเมื่อเขาทำไม่ถูกก็จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขให้ทำให้ถูกเขาทำไม่เป็นทำไม่ได้ผลดีทำไม่มีประสิทธิภาพเราก็ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ไปช่วยเขาได้นี่แหละเป็นการใช้อุเบกขาคือข้อที่สี่ ก็เคยดูแล้วก็ให้เขาทําไม่ใช่ไปทําแทนให้เขานี่เป็นการช่วยเขาระยะยาวถ้าเรียกเป็นความรักก็เป็นความรักระยะยาวเพราะว่าต่อไปข้างหน้านี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยถ้าไม่ได้ฝึกให้หัดไม่ได้ให้เขาทําให้เป็นตำบัตินี้ต่อไปเขาเผชิญชีวิตของตนเองในสังคมมนุษย์เผชิญกับความเป็นจริงของโลก และกับตัวชีวิตของเขาเองเขาไม่เคยฝึกเขาไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็ไปช่วยเขาไม่ได้นะเขาทำผิดทำถูกก็เลยกลายเป็นว่าเขาถูกปล่อยปละละเลยซึ่งเป็นความปล่อยปละละเลยของพ่อแม่แต่บัดนี้นั่นเองก็เท่ากับว่าพ่อแม่นี้ไม่ได้เตรียมลูกไม่ได้รักลูกจริงในระยะยาวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่มีปัญญาก็จะต้องมาใช้อุเบกขาและก็ พิจารณาว่าอะไรที่เขาควรจะต้องทำให้เป็นจะต้องมีความสามารถมีความพร้อมมีสติปัญญาก็หัดเขาไว้ให้เขาทำโดยที่ตัวเองก็คอยดูอยู่ใกล้ๆซึ่งจะเข้ากับความหมายของศัพท์ว่าอุเบกขาเพราะอุเบกขานั่นแปลว่าดูอยู่ใกล้ๆหรือเข้าไปดูอยู่หรือคอยดูอยู่มาจากคำว่าอุปะแปลว่าเข้าไปหรือใกล้ แล้วก็อีกะแปลว่ามองอุปิกอุปะอิกะรวมกันเป็นอุเปกขะแล้วก็ทําตามมัยากรเป็นอุเบกขาเอ้าเป็นอุเปกขาเป็นไทยก็เอาปอเป็นบอก็เป็นอุเบกขาแปลว่าการคอยมองดูหรือดูอยู่ใกล้ๆเป็นหมายความว่าคอยดูเพื่อให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นถ้าเขาผิดพลาดก็ไปช่วยแก้ไขทําให้เขาถูกแนะนําเขาเป็นต้น นันุเบคาเนี่ยเลยกลายเป็นธรรมะที่สําคัญอย่างยิ่งในแง่เกี่ยวกับเด็กก็เป็นตัวที่เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาเพราะว่าสามข้อต้นนี้เป็นตัวที่เราไปทําให้เขาซะเมื่อทําให้เขาเด็กก็เลยไม่พัฒนาแต่ว่ามันได้ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่กันด้วยความอบอุ่นมีความสุขซึ่งก็จําเป็นมากแต่ว่า อันที่สี่จะต้องมาคุมให้มันอยู่ในความพอดีนี่เบิขาก็จะมาเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาถ้าพ่อแม่มีแต่พรหมวิหารสามข้อตน้นก็จะรักลูกมากแล้วก็จะทำแทนทำให้หรือให้คนทำให้หมดเด็กก็เลยทำไม่เป็นก็ไม่พัฒนาถ้ากลายเป็นว่าด้วยความรักของตัวเองนี่พ่อแม่ก็ไปขัดขวางการพัฒนาของลูกไปเสียก็เรียกว่ารักลูกไม่ถูกทาง น่า้ารักลูกให้ถูกทางก็ต้องใช้ธรรมะให้ครบสี่ข้อกลายเป็นว่าถ้าใช้เป็นนิอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสาคัญที่ช่วยให้เด็กพัฒนาได้ดีนะแล้วเป็นการรักลูกระยะยาวด้วยเด็กที่พ่อแม่มีอุเบกขาตามสถานการณ์ที่เหมาะแล้วก็จะทาให้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งช่วยตัวเองได้ดีรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ท่านก็เลยให้ใช้อุเบกขาเนี่ย เราว่าตามหลักใหญ่ก็ในสถานการณ์ที่ว่าในเมื่อมันควรจะเป็นไปตามเหตุตามผลตามธรรมะตามหลักแห่งความจริงความถูกต้องดีงามทีนี้ความเป็นเหตุเป็นผลความสมเหตุสมผลความถูกต้องดีงามความเป็นธรรมชอบธรรมเนี่ยมันจะแจงออกในกรณีไหนบ้างก็แยกแยะออกไปเป็นสามกรณีสําหรับพ่อแม่ต่อลูก กรณีที่หนึ่งก็คือกรณีที่บอกไปแล้วว่าเมื่อลูกควรจะฝึกหัดทำอะไรต่ออะไรให้เป็นด้วยตนเองจะได้รับผิดชอบตนเองได้และมีความสามารถที่จะพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปอ น, นั้นสถาไอกรณีที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องหัดลูกให้เขาทำสิ่งที่ควรจะทำให้เป็นอันนี้กรณีที่หนึ่งนี่ต่อไปกรณีที่สองก็คือกรณีที่ว่า ให้เขารับผิดชอบการกระทําของเขานะอันที่หนึ่งไปการฝึกหัดให้รู้จักรับผิดชอบสองก็คือกรณีที่ต้องรับผิดชอบการกระทําของเขาเลยก็คือว่าเด็กก็จะต้องไปเติบโตอยู่ในสังคมต่อไปสังคมก็มีกฎเกณฑ์กติกาใครผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกในครอบครัวนี้เป็นสังคมย่อยเป็นสังคมตัวแทนสังคมใหญ่ก็ต้องฝึกเด็ก ให้ไปอยู่ร่วมในสังคมใหญ่ต้องรู้จักกฎเกณฑ์กติกาของสังคมต้องรู้จักวินยัยอันนั้นวินัยในครอบครัวก็ต้องมีขึ้นมีกฎเกณฑ์กติกาที่ว่าเมื่อเด็กทําถูกทําผิดก็ต้องได้รับผลตามกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้นั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทํำของตนเองอย่างที่ว่าเมื่อทําผิดไปกฎตัวต้องเป็นกฎนะ ไม่ใช่เอาเมตตากรุณามาแล้วก็เลยทําให้เสียหลักเสียธรรมะไปนี่ต่อไปกรณีที่สก็คือว่าเมื่อเด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรับผิดชอบตัวเองได้คือว่าจบการศึกษาเล่าเรียนแล้วมีการมีงานทํำแล้วแล้วก็มีครอบครัวของเขาแล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองแล้วแล้วเขาแล้วก็ เราก็ได้ฝึกได้หัดได้เลี้ยงดูเขามาให้พร้อมแล้วก็ต้องถึงกรณีที่เราจะต้องวางอุเบกขาอีกครั้งหนึ่งไม่เข้าไปก้าวกายแทรกแซงในชีวิตของเขาในครอบครัวของเขาให้ลูกนี้รับผิดชอบชีวิตของเขาเองคอยดูอยู่แต่ไม่เข้าไปก้าวกายแทรกแซงไม่เข้าไปวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวของเขาไม่เข้าไปจัดแจงโน่นวุ่นวายว่าจะเอาอยัางโน้นควรอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะ ให้ตั้งจิตว่าถึงเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาและครอบครัวเขาเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางอุเบกขาในกรณีที่สามถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักวางอุเบกขาลูกเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวแล้วก็จะเข้าไปจุนจ้านเข้าไปวุ่นวายในครอบครัวในชีวิตของเขาไปจัดโน่นจัดนี้ก็ทําให้เขาอึดอัดทําให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความอึดอัดต่อกันหลายฝ่าย พอเขามีคู่ครองและมีฝ่ายที่สมเข้ามาเขาก็อึดอัดในคู่ครองของเขาแล้วก็มาอึดอัดกับพ่อแม่อีกก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเสียความสุขด้วยกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ให้วางอุเบกขานี่แหละก็เป็นเรื่องของอุเบกขาที่เป็นตัวคุมที่สําคัญแต่ว่าเราต้องเริ่มจากเมตตากรุณามุติตานี่ยโดยเฉพาะเมตตานี่จะเป็นธรรมะที่เป็นพื้นเลย ก็เพราะว่าตามปกตินี้มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่าถือว่าทุกคนอยู่ในภาวะเป็นปกติเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรหรือเมตตาก็จะต้องเป็นตัวพื้นฐานมีก่อนอื่นควาเป็นมิตรเนี่ยการถือว่ามนุษย์อื่นนี่ก็เป็นสัตว์ที่ร่วมโลกกับเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมกฎธรรมชาติเดียวกันก็ถือว่าเป็นหลักการในทางธรรมชาติที่ทําให้เราต้องมีเมตตามีความเป็นมิตรธรรมะ คือเมตตานี้เป็นพื้นแล้วต่อไปก็เปลี่ยนไปนตามสถานการณ์ที่ว่าพอเขาย้ายไปสู่ความตกต่ําก็กรุณาถ้าเขาย้ายขึ้นสูงเราก็มุทิตาแล้วก็ตจะไปอยู่ในขอบเขตของธรรมะนี่คุมไว้สุดท้ายก็มีอุบเบกขาจากที่ว่าไปนี้ก็ให้เห็นลักษณะของธรรมะ4ประการที่ว่าเป็นสองชุด ข้อหนสาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือระหว่างบุคคลต่อบุคคลและข้อที่4ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวธรรมะอันนี้จะมีลักษณะเด่นที่ว่าสาข้อต้นนี้เป็นเรื่องที่เด่นด้านความรู้สึกพอเขาเป็นปกติก็รู้สึกเป็นมิตร ปรารถนาดีไปแล้วเขามีความทุกข์ก็รู้สึกสงสารหวั่นใจในทุกข์เขาอยากช่วยเหลือแล้วพอเขาได้ดีมีสุขก็รู้สึกดีใจด้วยจะส่งเสริมสนับสนุนสข้อต้นเนี่ใช้ได้ความรู้สึกเน้นหนักแต่ว่าข้อที่4ี่อุเบกขานี่มันหนักด้านความรู้ด้านความรู้ก็คือปัญญาเพราะว่าเราจะ รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลมันควรจะเป็นยังไงน่ธรรมะคืออะไรหลักการความถูกต้องชอบธรรมเป็นยังไงกติกาสังคมเป็นยังไงอันนี้ต้องใช้ปัญญาทางนั้นต้องใช้ความรู้นั้นอุเบกขานี่อยู่ได้ด้วยปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะรักษาอุเบกขาได้ทีนี้ในทางพานะุทธศาสนาเราก็เห็นได้ว่าชีวิตมนุษย์ที่พัฒนานั้นปัญญาเป็นตัวสาคัญ มนุษย์ที่พัฒนายิ่งพัฒนาไปก็ปัญญาจะมาเป็นตัวหลักมากขึ้นญญเพราะฉะนั้นอุเบกขาจะเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญญาก็ต้งเป็นตัวคุมเพื่อจะให้ด้านความรู้สึกนี้มันไม่เกินพอดีถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาไม่มีตัวความรู้มาคุมแล้วความรู้สึกจะเกินพอดีแม้แต่ว่าในตัวเองก็จะทําให้เกิดทุกข์ได้อย่างเรารู้สึกมีกรุณาเห็นเขาเป็นทุกข์นะก็ หวั่นใจในความทุกข์ของเขาอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าเหตุผลที่ควรจะเป็นเป็นยังไงความถูกต้องเป็นธรรมเป็นยังไงไอตัวความรู้ปัญญาไม่มีก็ไม่มาช่วยจิตใจเราก็จะนึกว่าเราจะต้องช่วยเขาให้ได้ถ้าช่วยเขาไม่ได้เราก็เกิดความรู้สึกเดือดร้อนใจกรบวนกระวายใจ แต่พอเรามีปัญญารู้ว่าอ้อโดยเหตุผลความสมควรจะเป็นความชอบธรรมความเป็นธรรมมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้โดยธรรมะไอตัวปัญญาที่รู้ความจริงความสมควรถูกต้องโดยเหตุผลเนี่ยมันทําให้เราวางใจได้หายทุกข์หายเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไปเพราะความรู้สึกเช่นความสงสารเป็นต้นปรับใจได้พอดีเพราะนั้นปัญญาก็มาปรับความรู้สึกให้พอดี มันก็ปรับทั้งความรู้สึกในตัวเองที่ว่าทำให้ไม่มีความทุกข์ด้วยจิตก็ราบเรียบสงบด้วยแล้วก็ทำให้การปฏิบัติก็มีความพอดีปรับการปฏิบัติต่อกันในสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ให้พอดีหมดข้อที่สี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นตัวคุมสุดท้ายอันนี้ก็มองในแง่ของสังคมมนุษย์อีกทีหนึ่งว่า ในเมื่อสังคมมนุษย์นี้จะอยู่ดีได้ก็ต้องครบสข้อทีนี้ในในกรณีทั่วๆไปเราจะเห็นว่าสังคมมนุษย์เนี่ยก็ยากที่จะให้ปฏิบัติพรหมวิหารได้ครบ4ี่ข้อเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นภาวะสังคมที่ไม่ค่อยมีดุลยภาพสังคมที่พัฒนายังกะทั้งคนทั้งหลายนี่ปฏิบัติถูกต้องทั้ง4ประการในหาได้ยากน เพะนั้นบางสังคมก็จะมาได้แค่ข้อ1บางสังคมก็ได้ข้อ 1: นข้อสบางสังคมก็อาจจะได้ข้อ1นึ่บางสังคมก็ไปได้ข้อ4อย่างเดียวแต่ไม่มีข้อ1ข้อ2ข้อ3หรืออะไรเงี้ยนะคือมันเชื่อว่า ว, ว่แหว่งแหวงอ่ะหาเต็มยากแต่ถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันมักจะมีเป็นสังคม2แบบก็คือว่าสังคมที่หนักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในข้อ1นึ่อย่างหนึ่งแล้วก็สังคมที่หนักในเรื่องของการรักษาตัวหลักการกฎเกณฑ์กติกาอีกแบบหนึ่งนี่คือสังคมที่หนักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันก็จะหนักในข้อเมตตากรุณามุติตาซึ่งอาจจะไม่เต็มด้วยอย่างที่ว่าบางสังคมก็ได้แค่เมตตากรุณาส่วนสังคมที่หนักในข้อ4ก็จะเป็นสังคมที่ หนักในการที่รักษากฎเกณฑ์กติกาโดยที่ว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันเราเอาหลักการนี้มาพิจารณาเราก็จะเห็นได้ว่าสังคมต่างๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีความเอียงเสียดุลเราก็เลยพูดกันถึงสังคมไทยว่าสังคมไทยนี่ก็น่าพิจารณาว่าเป็นสังคมที่อาจจะเสียดุลหรือเปล่าคือเป็นสังคมที่หนักในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน โดยเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองเมตตากรุณาสังคมไทยนี้ในแง่ของถ้อยคําเราก็เห็นได้ว่าใช้คําว่าเมตตากรุณานี้มากจนเหลือเฟือใช่ไหมใช้กันในเป็นกระทั่งชีวิตประจําวันใช้จนกระทั่งความหมายเนี่ยไม่ชัดเจนแม้แต่เมตตากรุณาต่างกันอย่างไรก็แยกไม่ออกใช้เป็นคําสามมันไปอันนี้ ด้วยความที่หนักในเมตตากรุณาก็มีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรแล้วก็ช่วยเหลือกันเวลามีทุกข์มียากก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่นี้ถ้าหนักในเมตตากรุณาในความสัมพันธ์ระหว่างคนโดยที่ว่าไม่มีอุเบกขาการรักษาธรรมมาคอยคุมไว้การช่วยเหลือกันระหว่างคนนี่มันก็จะเกิดการเสียดุลที่ว่าช่วยกันจนกระทั่งว่า ลองจะช่วยสัอย่างเดียวก็ช่วยกันไปจกนกระทั่งไม่มีขอบเขตหลักการกฎเกณฑ์กติกาไม่เอาทั้งนั้นละเมิดกฎหมายละเมิดธรรมะละเมิดความถูกต้องเป็นธรรมหมดเลยซึ่งเห็นได้ว่าในสังคมไทยนี่น่าจะมีมากพอสมควรก็แสดงว่าเป็นสังคมที่เสียดุลนะจะช่วยเหลือกันในระหว่างคนโดยมุ่งที่เมตตากรุณาเท่านั้นแล้วสังคมไทยก็มีคนบ่นหลายคนว่าไม่ค่อยมีมุทิตา คือคนประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ดีงามไม่ค่อยจะสนับสนุนใช่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาแต่ว่ารวมแล้วก็คือมาอยู่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ถึงอุเบกขาอุเบกขานั้นคนไทยก็เข้าใจผิดเป็นแต่เพียงว่าเฉยถ้าเฉยคือเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวนะเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวก็เกิดจากความไม่รู้มาไม่รู้เรื่องก็เลยไม่เอาเรื่อง เมื่อไม่รู้เรื่องแล้วไม่เอาเรื่องมันก็เลยไม่ได้เรื่องก็เสียนี่ภาวะอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเฉยด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นอกุศลธรรมท่าเรียกว่าเป็นอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เฉยไม่รู้นั่นคนไทยก็มักจะรู้จักคําว่าเฉยในความหมายนี้คือเฉยโง่เฉยไม่รู้ซึ่งผิดธรรมะที่ทางทางเที่ยวอุเบกขานี้เป็นตัวที่ต้องอาศัยรรมตัวปัญญาเป็นตัวที่ สร้างอยู่ได้ด้วยปัญญาปัญญาเป็นสำคัญที่สุดในข้ออุบเบกขานี้ดันะะนั้นสังคมไทยถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ต้องถือว่าเสียดุลแล้วนะเป็นสังคมที่เอียงไปก็จะเกิดผลร้ายก็คือรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติการักษาความเป็นธรรมไว้ไม่ได้นะและอีกประการหนึ่งก็เพราะว่าช่วยกันแม้แต่ไม่สมเหตุสมผล ทำให้คนหวังพึ่งผู้อื่นมากไปก็จะทําให้อ่อนแอไม่ขนขวายการช่วยเหลือกันแม้แต่ว่าไม่ผิดปลักการก็จะต้องอยู่ในเหตุในผลว่าอันนี้เขาควรจะรับผิดชอบตนเองไหมถ้าเขาควรรับผิดชอบตัวเองเราต้องให้เขาทําอย่างนี้อุเบกขามื่ก็มาช่วยอีกนี้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะช่วยจกนกระทั่งเกินจําเป็นไม่สมเหตุสมผลเมื่อคน ไม่มีขอบเขตในการช่วยเหลือก็หวังพึ่งผู้อื่นมากไปเมื่อหวังพึ่งก็ไม่ค้นขว้ยทำการด้วยตนเองก็อ่อนแออันนั้นก็มองเป็นผลส่วนรวมแก่สังคมก็สังคมนั้นก็จะอ่อนแอนะทัะนั้นเมื่อเอาแต่ด้านความรู้สึกในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยข้อหนึ่งสองหรือหนึ่งสองสก็จะเสียดุลยภาพแก่สังคมในแง่หนึ่งไม่สามารถรักษาหลักการหรือตัวธรรมะไว้ได้ สองทำให้คนอ่อนแอเพราะหวังพึ่งผู้อื่นนะก็สังคมนั้นไม่เข้มแข็งก็เจริญก้าวหน้าได้ยากนี่เราไปดูอีกสังคมหนึ่งสังคมที่หนักในอุเบกขาเอาแต่รักษากฎเกณฑ์กติกาบางทีพวกนี้ก็ไม่ได้รักษาได้ปัญญาหรอกก็เป็นเฉยงโงก่ก็มีเป็นแต่เพียงว่าเพราะว่าไม่มีน้ำใจต่อกันก็เลยต้องเอาแต่กฎเกณฑ์กติกามาใช่ห เพราะว่ามันต้องมีมาตรฐานในการที่อยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีน้ำใจต่อกันก็ให้เป็นไปตามกฎว่างั้นนะเอากฎมาเพื่อเป็นเส้นแบ่งก็รักษากฎเกณฑ์กติกามีอุเบกขาเอากฎเกณฑ์กติกาเข้าว่าไม่มีน้ำใจต่อกันพวกนี้ก็ดีอย่างก็มันมีกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานบรรทัดฐานอยู่ก็รักษากฎเกณฑ์กติกาได้มันก็ช่วยรักษาความเป็นธรรมในสังคมแต่ถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นมาอีกด้วย มีความใฝ่ปรารถนารักความเป็นธรรมก็จะช่วยให้สังคมนั้นรักษาธรรมะไว้ได้อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในหลักการด้วยดีแต่ว่าเพราะเหตุที่ขาดน้ำใจขาดเมตตากรุณามุติตาขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีก็จะทําให้เกิดความแห้งแลง้งเกิดความเครียดไม่มีความอบอุ่นจะเป็นสังคมที่คนเป็นโรคเส้นประสาทมาก เป็นโรคจิตมากมีความทุกข์มากซึ่งเราเห็นได้มากในสังคมฝรั่งเช่นสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่ถือกฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่จกนกระทั่งเรียกสังคมของตนว่าเป็นสังคมที่อยู่ด้วย the rule of the law นะฮะก็แล้ก็ภูมิใจในอันนี้ก็เขาก็มีแง่ดีอย่างที่ว่าก็รักษาตัวหลักการหรือตัวธรรมะไว้ได้แต่ว่าทาให้คนมี ความเครียดสูงอย่างที่ว่าแล้วนะแต่ละคนก็ต้องมาขนขวายด้วยตนเองมันก็ทําให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากรักษาตัวทำตัวหลักการไว้ได้แล้วก็คือทําให้แต่ละคนนี่ตัวใครตัวมันต้องดิ้นรนขนขวายเพราะว่าถ้าไม่ดินน้นรนไม่ช่วยเหลือตัวเองก็อยู่ไม่รอดเมื่อต้องดิ้นรนขนขวายเพื่ออยู่รอดก็เลยเข้มแข็งขึ้นมานะก็สร้างสารรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าไปได้ก็มีแง่ดีเหมือนกัน ทีนี้สังคมไทยถ้าอยากจะให้คนเข้มแข็งก็แล้วแต่จะเอาวิธีไหนถ้าเอาวิธีที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คุณธรรมไม่ต้องใช้เมตตากรุณามุติตาแล้วก็ไม่ต้องใช้ปัญญาก็ไม่ต้องเอาใจใส่กันตัวใครตัวมันต่อไปก็เข้มแข็งเหมือนกันนะก็ดิ้นรนกันเต็มที่แหละนี่ยอันนะี anyway, ้ว่าเราควรจะเอาแบบไหนเราน่าจะทําด้วยปัญญา แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพรหมวิหาร4ประการให้สังคมมีดุลยภาพมงั้นมันก็เอียงไปเอียงมาอยู่เนี่ยนะเป็นสังคมแบบไทยเอียงไปข้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสังคมแบบอเมริกันเอียงไปข้างของอุเบกขารักษาตัวหลักการกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็ได้อย่างเสียอย่างกันไปเรื่อยแล้วสังคมมนุษย์ที่เอียงอย่างนี้มันก็ไม่มี ไม่มีความเจริญที่ถูกต้องไม่มีความพอดีนะั้นในที่สุดมันก็ต้องเกิดปัญหาแหละเมื่อมันเอียงไปแล้วมันก็ไปสู่ความเสื่อมเสียถ้ารุนแรงก็ถึงกับความวิบัตินะสังคมที่รักษาหลักการกติกากฎเกณฑ์ไม่ได้ต่อไปก็อาจจะวิป ร, รารวิปริตแล้วก็วิบัตินี่สังคมที่เอาแต่กฎเกณฑ์กติกาไม่มีน้ำใจตัวใครตัวมันเกินไปถ้ามันถึงขนาดหนึ่งก็คนมันก็จะไม่เอาแม้แต่กฎเกณฑ์กติกา เพราะโทสะมันจะบุมแรงเพราะว่ามนุษย์นี้ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยเพระนั้นมันก็จะมุ่งแต่เอาตัวเองเข้าว่าซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีปัญหาเมื่อคุณธรรมที่เป็นฐานในด้านอื่นที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงไม่มีมนุษย์ก็จะเกิดการที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ตัวเองการเอาตัวรอดนะการที่จะทำร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรทั้งสิน้น จเจ้แต่ผลประโยชน์ของตัวเองเขาว่าแม้ตะกดเกณฑ์กติกาก็จะไปกลายเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ซึ่งในขณะนี้ประเทศอเมริกาก็กำลังเป็นแล้วต่อไปสังคมอเมริกาถ้าอยู่ในภาวะนี้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ก็สามารถวิบัติได้เช่นเดียวกันก็เป็นสังคมที่เสียดุลยภาพเพราะนั้นตกลงว่าหลักพรหมวิหารนี่มีความหมายมากจึงถือว่าเป็นธรรมประจําใจของพรหม ในฐานะที่มนุษย์แต่ละคนนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์และก็อภิบาลรักษาไว้ซึ่งโลกนี้ให้อยู่ในภาวะที่ดีมีสันติสุขนะก็คือสังคมนี้นั่นเองจะอยู่ดีได้ได้คนแต่ละคนนี้มีพรหมวิหาร4ี่ประการแล้วพรหมวิหารก็จะช่วยตั้งแต่สังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งว่าสังคมใหญ่ให้อยู่ด้วยดี ก็วันนี้ก็พูดเรื่องพรหมวิหารมาสืบเนื่องมาจากเรื่องชันทะก็คิดว่าโดยหลักการใหญ่ๆก็ได้แล้วนะก็เห็นจะเอาเท่านี้ก่อนทีนี้ท่านผู้ใดมีอะไรสงสัยก็มาคุยกันมีไหมฮะก็ฟังซ้าๆนะฟังไปบ่อยและเรื่องนี้เรื่องพรหมวิหารสี่เท่ากับมาทวนกันอีกทีนึง เป็นคุณธรรมในใจไมทราบว่าการแสดงออกหรืออะนี้จะมีก็ไว้อีกชุดหนึ่งต้องไว้อีกหลักหนึ่งเลยก็อันนี้มันจะสืบทอดเหมือนกันพอจากพรหมวิหารที่เป็นคุณธรรมในใจก็แสดงออกมาในปฏิบัติการในปฏิบัติการในการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็จะมีหลักธรรมอีกชุดหนึ่งเป็นภาคปฏิบัติการมารับซึ่งเราจะพูดกันต่อไปเรียกว่าสังคาวัตถุสี่ ก็ได ja, ้ยินกันมาแล้วแหละนะฮะจะว่าเอามาทวนกันเท่านั้นเองในกรณีที่สังคมนะฮะคนที่ทาไม่ดีนะครับเราต้องใช้รหลักข้อเมตตานะครับก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามปฏิกาของสังคมในขณะเดียวกันเนี่ยในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนอกจากที่จะรู้ว่าใจล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปฏิกาของสังคมแล้วเน่ยเราต้องมีเมตตาในกรณีนั้นด้วยนะ เมตตามันเป็นพื้นอยู่แล้วคือหมายความว่าในกรณีที่มันไม่ไปละเมิดธรรมะใช่ไหมเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์มีอะไรที่เราจะเกื้อกู ล, ลกอะไรจะาะไก็ทําไปแต่ว่าไม่ให้ไปละเมิดตัวหลักการแม้ว่าเขาจะละเมิดธรรมชาติกฎเกณฑ์การกาแล้วเนะี่ยเรายังคงต้องรักษาจิตท่ า, า, มมต า, เาเมตตาต่อเขาด้วยนะคือรู้ษึกว่า ก็ให้อภัยในกรณีว่าเลยถึงแม้เขจะทำผิดไปก็ตามเนี่ยเราได้รับบรรลุโทษตามสังคมแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องมีทิศทางความเมตตาอยู่ด้วยความเมตตาเป็นธรรมประจําใจอยู่แล้วเป็นพื้นเลยมีความเป็นมิตรว่าถึงไงเขาก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมชาติเองว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าว่าใช้อุเบกขาเพราก็จะทิ้งเมตตาเลยหรืออ๋อมันก็กลายเป็นเดี๋ยวอุเบกขานะมันก็กลายเป็นความชาเย็นสิใช่ไหมเนะี่ย S <S <ม> <temporada> อ น, นั้นอุเบกขาเป็นตัวที่อาศัยปัญญาเพื่อมาปฏิบัติให้ถูกต้อง <S <S ตามเหตุตามผลตามหลักการนะตามที่มันควรจะเป็นหรือเพื่อรักษาธรรมะไว้ทีนี้ในส่วนท่าทีปกติอเมตตาก็เป็นพื้นอยู่นะ <S <S แต่ว่ามันจะถูกคุมด้วยอุเบกขาไม่ให้เกิดไปไม่ให้เลยขอบเขตนะไม่ไปทำให้ละเมิดธรรมะใช่ถ้ามันมีอุเบกขามาคุมก็ละเมิดธรรมะนะั่นก็เหมือนกับ สมมติว่าเอาลูกของเราเนี่ยไปทําผิดใช่ไหมก็ควรได้รับโทษแต่ว่าเราก็ต้องมีเมตตาเอ่อแค่ว่าเอาเขาจะต้องเข้าคุกแล้วเนะีเราก็ต้องยังต้องไปส่งเสียใช่ไหมต้องไปเอาอาหารไปให้เรื่องอะไรอไรเราก็ยังต้องมีเมตตาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าปล่อยเขาเลยใช่ไหมเนะีเมตตาแล้วในกรณีนี้จะกรุณาจะมามาก เพราะว่าไอการที่ว่าเขาได้รับทุกแล้วใช่ไหมจะต้องมีใจหวั่นไหวในทุกข์ก็ช่วยเขาแต่ว่าไม่ให้ละเมิดธรรมะไม่ให้ละเมิดกฎสังคมผู้เบิกขาเขาเนี่ยเพราะว่าพอเขาเป็นอะไรไปก็สะใจว่าเกิเป็นหูเต้าแล้วก็เป็นเปอ้าวก็จะเป็นแบบสังคมฝรั่งไงล่ะผู้เบิกขาแบบนั้นไงเสียดุลอีกใช่ไหมก็หมายความว่าแกรับผิดชอบตัวเองตัวใครตัวมันนะเน่ยว่าไปตามกฎใช่ไหม เนี่ยเมื่อแกทําผิดอันนี้ก็รับผิดชอบรับโทษไปตามกฎก็หมดเรื่องไปไม่เกี่ยวใช่ไหมไปอย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาแบบฝรั่งเนี่ยเราอาจจะว่าเขารุนแรงไปที่จริงเขาก็ไม่ถึงกระแห้งแรงน้ําใจขนาดนี้เลยนะเขาก็ยังมีนน้ําใจน่ะแต่ว่าโดยเปรียบเทียบโดยสภาพทั่วไปแล้วเขาค่อนข้างจะน้อยหรือหย่อนในเรื่องเมตตากรุณาใช่ไหมน้ําใจมันน้อยไปนะ แต่เราก็ได้ยินกรณีของฝรั่งที่มีเรื่องการที่อุเบกขาแบบชาเย็นเนยเยอะนะฮะใช่ไหมเน่เมตตากรุณาขาดมากทีเดียวมีกรณีเยอะ<ม>อนะเอ็กเขาอาจารย์พอยอดกลับา่อุเบกขาแล้วก็ฎเกณฑ์ของสังคมนะครับถึงมาตรการลงโทษที่เราเนี่ยพิจ า, <อ> า, ารณาประดมโทษถึขั้นของการประหารชีวิตนะไม่ทราบว่าถ้าเราพูดในตามหลักของพธศาสนานะครับ มาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรในการที่จะมีมาตร ก, การประดมโทษถึงขั้นประหารชีวิตเ้องโทษททำผคือเราต้องพูดถึงในแง่ความจริงแล้วก็หนึ่งเป็นฐานนะหนึ่งความจริงสองเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราตัวเราเป็นบุคคลก็ตามตัวเราคือสังคมทั้งหมดร่วมกันก็ตามจะเอาอยัางไงในขั้นที่สอง หนึ่งความจริงเป็นอย่างนี้สองเมื่อความจริงเป็นงนี้จะเอายังไงอันนี้ก็เหมือนกันความจริงก็คือว่าอ้าวการฆ่าปาณาติบาตก็เป็นบาปอันนี้ความจริงก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเมื่อฆ่ามนุษย์ก็บาปก็เป็นนี่ความจริงเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าเอ๊ยจำเป็นจะต้องรักษาหลักการของสังคมรักษาความดีงามรักษาธทำให้อยู่ในสังคม เราเห็นว่ามันคุ้มค่าบาปเท่านี้นฉันหิดว่าถ้าหากว่าไม่ฆ่าไม่ประหารนี่การแก้ปัญหาสังคมในเรื่องนี้จะไม่สำเร็จแล้วก็ลงมติว่าควรประหารทั้งทางที่บาปก็บาปใช่ ย, ยอมเสียสละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รู้ความจริงแล้วจะเอาไงใช่ไหมแล้วก็สังคม้ามาตกลงกันนี่คือพุทธศาสนานี่ให้ใช้ปัญญา นะปัญญาเริ่มตั้งแต่การรู้ความจริงแล้วสองท่านจะเอาอยัางไงท่านต้องคํานึงถึงความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์ที่พึงได้ท่านหวังประโยชน์แก่สังคมนะ่ะโดยเหตุโดยผลเพื่องี้แล้วท่านจึงจัดสินใจงี้เมื่อท่านตัดสินใจงี้ท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะใช่ไหมก็อย่างนี้ก็แล้วแต่สิสังคมจะเอาไงสังคมก็รับผิดชอบตัวเองนะสังคมนั้น ก็อบอกว่าเราพูดได้เลยบอกว่าในเมื่อมีการปรหารชีวิตการประหารชีวิตนี่ก็เป็นบาปเป็นปานาติบาสนี่พูดใ น, นแง่ความจริงสองใ น, นแง่จะเอาไงเอาท่านพิณาวอาสิเนี่ยใช้ปัญญาชูไหมฮก็เดี๋ยวผู้อาก็จเมียยอย่างนี้นะฮะเพระยายระอย่างการฆ่ามนุษย์มไม่ได้บานาติบาอีเปานาติบาปกรรมด้วยอ้าวทำไมอ่ะก็เป็นการฆ่ามนุษย์ะฮะฆ่ามนุษย์ยังไม่เป็นอนันตริยกรรมอ่ายังไม่เป็น ก็เป็นบาปเป็นปณิธานแต่ข่ามนุษย์ก็มีบาปมากกว่าค่าสัตว์ดิลฉานใช่ไหมแล้วก็ขึ้นต่อว่าสัตว์นั้นมีคุณความดีมากคุณความดีน้อยถ้าสัตว์นั้นมีโทษมากมีคุณความดีน้อยก็บาปน้อยใช่ไหมอันนี้ก็พุทธศาสนาก็นี่แหละให้มนุษย์จู้จี้ใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาของตนเองที่จะตัดสิน เพราะนั้นในแง่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งขึ้นต่อยุคสมัยการละเทศะปัจจัยแวดล้อมพุทธศาสนาจึงไม่ได้วางข้อปฏิบัติที่ตายตัวที่เรียกวิไนไปให้ใช่จะให้แต่หลักการกว้างๆแต่สังคมเฉพาะก็คือชุมชนสงฆ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการอยู่ต้องมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาชัดเจนใช่เพราะพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาเพราะนั้นพระ อ, องค์ก็ต้องวางวิไนชัดเจน แต่ว่าสำหรับสังคมคฤรหัสนี่ให้มนุษย์รู้จักใช้ปัญญาของตัวเองพิจรารณาแต่ว่าบางทีสังคมมนุษย์ก็ไม่ได้ใช้ปัญญาที่จะวางวินัยของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมอย่างสังคมพุทธเราเนี้ยเป็นสังคมที่ขาดวินัยเลยนไม่เอาใจใส่ก็เลยอย่างที่พูดไปวันนี้บอกว่าก็เลยความเป็นพุทธไม่รู้จะ ก, กาหนดด้วยอะไรนะไม่มีข้อปฏิบัติ ที่แน่นอนว่าเออถ้าเป็นพุทธแล้วน่าจะต้องทำอย่า ง, างนี้ซึ่งในแง่ของชุมชนพุทธนี่น่าจะสามารถกำหนดวางได้นะว่าในสภาพสังคมยุคนี้สมัยนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้นะการมีชีวิตที่ดีงามอย่างต่ำคนมีมาตรฐานความประพฤติอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้อันนี้เป็นเกณฑ์ไปเลยวินัยก็เกิดขึนทีนี้ชุมชนพุทธนีอ่อนตรงเนี้ยขาดในฝ่ายค้หลงหัขาด วินัยขาดการจัดตั้งการขาดการวางระบบแบบแผนสังคมก็หลวมมากสังคมพุทธชุมชนพุทธนี้จะหลวมมากในแบบหลวมมันก็อ่อนแอไปในตัวอันนี้ก็อาศัยชุมชนสงฆ์นี่เป็นแกรนรักษาไว้เพราะชุมชนสงฆ์มีวินัยมีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานชัดเจนแต่นี้ถ้าเขาทําลายชุมชนสงฆ์จะได้เมื่อไหร่ก็สังคมพุทธหมดเลย ขาดแกนเหมือนในอินเดียไงอพอทำลายพระสงฆ์ชุมชนสงฆ์หมดปั๊บนี่พุทธศาสนาสลายเลยอันนั้นเป็นข้อบกพร่องอันหนึ่งที่ว่าทำไงจะให้ชุมชนพุทธเนี่ยอยู่ได้โดยที่ว่าสังคมคึ่งหัสจะมีวิ น, นัยมีมาตรฐานความประพฤติของตนเองอที่ชาวพุทธเนี่ยมาจัดวางกันขึ้นซึ่งสามารถเอาจากที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้ให้แล้วด้วยพุทธเจ้า จัดตั้งไว้อย่างที่พระเถระาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยหลักปฏิบัติตามขีปฏิบัติไม่ใช่ในนู่นตามหลักปฏิบัติในสิงคาละกัสูตรซึ่งมีหลายอย่างนะทั้งหมดนะั้นเรียกว่าขีวินัยเป็นวินัยของครือหันนี่พระตถระถาจารย์ว่าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าถือตามมติพระตถระถาจารย์นี้ข้อปฏิบัติในสิงคาละกัสูรมีเรื่องทิฏห<อ>เป็นต้นนะั้น ก็เป็นวินัยสําหรับชุมชนชาวภู ท, ที่เป็นค้าราชกาแต่เราก็ไม่ไดเอามาใช้เลยก็สักแต่ว่าท่านพูดไว้แล้วก็อยู่ในคำพีเท่า น, นั้นเองอ๋อเรื่องขีวินัยเนี่ย่ะเรื่องในสินค้าและกัสูตรก็ถึงไงต่อไปก็ต้องพูดอยู่ดีะทําไมพูดตอนระหว่างนี้ก็ไปพู ด, พดตอนเลาสิกขาเนี่ยพอไปเป็นค้าราชกาแล้วก็จะต้อง พูดให้ฟังนะฮะเกิดก็คืออย่างเรื่องวิยในนะฮะทีญญ่มันจะบัญญัติเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนพ ว, ว่ามันโดยมากจะบัญญัติบนหลักของธรรมะแต่ตอนนี้สังคมเป็นอยู่ในขณนะปัจจุบันนะฮะกฎเกณฑ์ที่มันพยายามจะบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันห่างไกลจากกฎของธรรมะไปทุกทีเพราะสังคมสมัยนี้เนี่ยคนเลวก็จะคงเห็นค น, คนดีโดยใช้หลักของกฎเกณฑ์เนี่ยที่ท วก mm. ็นั่นก็นี่แหละคือหลักที่จะพูดต่อไปอีกหลักหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างวินัยที่เป็นระบบการจัดตั้งกฎเกณฑ์กติกาในสังคมมนุษย์กับตัวธรรมะคือหลักแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติสองอันนี้จะต้องสัมพันธ์กันอยู่เสมอวินัยที่เป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์ จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงในกฎธรรมชาติทีนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการแปลกแยกจากความเป็นจริงของธรรมชาติมันตั้งกติกาสังคมขึ้นมาเรียกว่าวินยัยเรื่องจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองแต่เสร็จแล้วมันไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเพราะฉะนั้นวินัยที่ตั้งขึ้นมามันก็ขาดฐานมันก็วิปรัสดัะนั้นก็ไม่สําเร็จประโยชน์ไม่สามารถนํา สังคมมนุษย์ไปสู่สันติสุขได้เพราะมันไม่ตั้งอยู่บนฐานของตัวธรรม ะ, ะก็นี่เป็นเรื่องของการแปลกแยกจากธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็การที่เสียดุลเหมือนกันคือระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดจากปัญญาที่เข้าถึงความจริงแท้เห็นไหมมนุษย์จะวางระบบจัดตั้งในสังคมได้ถูกต้องก็ต้องเข้าถึงความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติ เพราะว่าถึงไงสังคมเอาตัวเองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้ถ้าตัวเองวางไม่ถูกต้องจัดไม่ถูกต้องระบบมันไม่เป็นไปสอดคล้องความเป็นจริงขอธรรมชาติมันก็วิปริตแล้วก็ไม่เกิดผลตามที่ต้องการอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะะซึ่งจะพูดคือผมมองว่าคนเร็วๆตัวินียเร็วๆเนี่ยมันก็เมาะสมที่จะทเป็นเรียนนะครับแต่ตอนที่คนดีๆบางเอิญต้องไปอยู่ใน สังคมที่มีวินัยหรือว่ากติกาที่ไม่ยุติธรรมนะคือไม่สอดคล้องธรรมชาติคนดีกลุ่มนี้ก็เท่ากับโดนสังคมกลุ่มใหญ่ที่สังคมไม่ดีเนี่ยทําร้ายตลอดเวลาก็ก็กดเกณฑ์กติกามันกลายเป็นบางทีเป็นเครื่องมือของชนกลุ่มหนึ่งเพื่อจะทําหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือกลั่นแกล้งทําร้ายผู้อื่นไปเพราะนั้นวินัยกฎเกณฑ์กติกาในสังคมมนุษย์ ก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานสาคัญสองอันหนึ่งปัญญาปัญญาที่รู้เข้าใจเข้าถึงตัวธรรมะความจริงของกฎธรรมชาติสองอาศัยเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่ดีตั้งใจวางจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการของตนเองเช่นผลประโยชน์เป็นต้นนถ้าเจตนาเสีย วางกฎหมายออกกฎหมายมาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มของตนอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแหละใช่ไหมอสองไม่รู้ธรรมะไม่เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติวางไม่ถูกต้องนะก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองก็ไม่มั่นคงนันข้อสาคัญสองอย่างเนี่ยคือปัญญากับเจตนานะในการที่จะวางกฎกติกาหรือวินัยในหมู่สังคมมนุษย์ 1ต้องดูปัญญาเข้าถึงความจริงไหมสองเจตนาบริสุทธินะ์หวังดีปรารถนาดีต่อสังคมแท้จริงหรือเปล่า <c oughs> แต่อันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะพูดในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวิ น, นัยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นฐานเลยเป็นตัวบทสรุปหรือแม่บทใหญ่ของพุทธศาสนาทั้งหมดพุทธศาสนาก็มีแค่นี้มีธรรมะกับวิ น, นัย รวมเข้าเป็นอันเดียวกันวันนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเรื่องเนี่ยเรื่องของตัวพรหมวิหารความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนี่มีอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็จะยุติท่านี้ก่อนก็ มันก็มีแง่บอกอยู่นะสิงคโปร์มันก็ดีไปในแง่หนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ระวังไม่คนไม่พร้อมนะกลายเป็นใช้ระบบบังคับพอเป็นระบบบังคับนี่คนคุณภาพจริงไม่ถึงก็จะเกิดความเครียดในจิตใจแล้วกลายเป็นว่าที่ปฏิบัตินั้นเพราะถูกบี ถูกบีบก็จะมีความกดดันอยู่เสมอพอได้โอกาสเมื่อไหร่ระเบิดเพะนั้นสิงคโปร์มีคำหนึ่งที่เขาพูดตอนนั้นผมก็ไปสิงคโปร์ว่าในถนนนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ในบ้านในส้วมของบ้านนี่เละเทะหมดเลยว่าไงนั่นกรหมายความว่าที่รักษากฎเกณฑ์กติกาในรักษาไปเพราะว่าถูกบีบเท่านั้นเอ ง, องใช่ม <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาคนด้วยนะถ้าคนทำไงจะให้มันมีไอ้ตัวฉันทะเนี่ยความใฝ่ดีอยากให้มันดีใช่มมันจะเป็นตัวทำให้เกิดการปฏิบัติจากแรงภายในใช่ไหมไม่ใช่แรงกดบีบภายนอกแต่ว่าถ้าสังคมไม่มีตัววินยัยกฎเกณฑ์มาช่วยตะล่อมไว้ก็การพัฒนาคนก็อาจจะย า, ยยากเพราะสภาพไปร้อมไม่เอือใช่ แต่พาไปรอบสังคมไม่มีวินัยนี่มันเปิดโอกาสให้คนทะเลเฉียใช้แล้วชักจูงไปในทางต่ํามันก็เลยได้โอกาสไอช่องทางความชั่วพอเปิดโอกาสให้มันมันก็ไหลไปมันก็เลยไม่พัฒนาตัวเองไม่มีการฝึกฝนไม่มีการพัฒนาพฤติกรรมเสียอีกเพราะนั้นทําไงจะให้สองด้านเนี่ยการพัฒนาภายในบุคคล <c oughs> กับการวางระบบรูปแบบสังคมเนี่ยมาประสานกันไปได้วยกัน <c oughs> นคุณกระใจผมขอสเสนอว่าที่ไหนถอาเราพูดถึงอุเบกขารเราพูดได้ชัดเจนไหมว่าอุเบกขาเนี่ยใช้ก็ต่อเมื่ อ, น อ, อมนมุษย์ยได้ร่วงทำวิ่งในได้ไหให้มันชัดไปเลยว่าไม่ใช่ห่ือถ้าร่วงทำมันถูกต้องอยู่แล้วที่อราใช้อุเบกขาแต่ถ้าวิ่งในมันควรจะเป็นทำวิ่งในหรือวิ่งในที่มีทำเป็นตัวกําหนดก็ใช้ได้ไหนครับที่พูดไปแล้วไงเหมือนบอกว่าหลักการในความเป็นจริงถูกต้องในธรรมชาติ ก็ดีหลักการกฎเกณฑ์กติกาที่มาวางเป็นแบบแผนในสังคมก็ตามเ่ยหลักการที่เป็นความจริงในกฎธรรมชาติก็คือธรรมะแล้วหลักการที่มาวางเป็นระเบียบแบบแผนกติกาในสังคมก็คือวินัยก็พูดสั้นๆก็บอกว่าละเมิดธรรมไม่อยู่ไนคือคือผมไอ้ข้อสองนี่ยมันอีก่อย้กฎเกณฑ์มันเบี้ยวไปเนี่ยเมื่อหลังแต่ขาดการทำนะก็เลยถ้าพูดเรื่องช้ธรรอ๋อไอ้นั่นก็ไอ้นั่นเป็นอีกเป็นอีกหัวข้อหนึ่งทีนี้ไม่ไอ้นั่น คือเราต้องอธิบายแยกแยะ ก, ก่อนอใช่ไหมหมายความว่ากรณีใดก็ตามที่ว่ามันเป็นละเมิดเพราะว่ามันในเชิงปฏิบัติการแล้วเราต้องยอมรับว่าคือในกรณีที่เราถือว่ากฎเกณฑ์กติกาของสังคมนิวางไว้บนฐานของความถูกต้องแล้วเมื่อการละเมิดเกิดขึ้นก็ถือว่าต้องใช้อุเบกขาอันนี้บางครั้งมันก็ไม่ต้องไปพิจารณามันต้องถือตามแบบแผนนี้เลยใช่ไหม แต่ว่าถ้าว่าดโดยสาระก็คือธรรมะและวินัยนั่นเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะต้องละเมิดนะแม้แต่เพื่อให้เป็นไปตามธรรมเช่นอย่างกรณีที่ว่าจะช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือไปแล้วกรณีนี้เขาควรจะรับผิดชอบตัวเองเราไปช่วยยังไม่ถึงกับละเมิดโดยชัดเจนออกมาใช่ไหมกฎเกณฑ์กติกาก็ไม่ได้ละเมิดแต่ว่าจะทําให้เขาเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบ แม้แต่ลูกของเราก็กลายเป็นว่าช่วยโดยไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าขาดอุเบกขาเหมือนกันเพราะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันก็แม้แต่กรณีในชีวิตประจําวันในการสัมพันธ์ระหว่างคนในกรณีเล็กๆน้อยๆอะไรที่เขาควรจะรับผิดชอบตัวเองได้ตามเหตุตามผลก็ให้เขาทำํำแล้ว เขาก็จะได้ไม่กลายเป็นคนอ่อนแอที่เอาแต่หวังพึ่งคนอื่นเรื่อยไปมีพ่อแม่ช่วยเกินเหตุผลที่สมควรก็จะเป็นกรณีที่เป็นปัญหาอย่างที่ว่าทำให้ลูกไม่รู้จักโตช่วยตัวเองไม่ได้เอาแล้วมั้งนะ